ที่ได้ทำบุญบุญลไว้ <c oughs> ต่อไปนะครับข้อหา้าเมื่อพระโพธิสัตว์กระสูตรก็ทรงยืนได้ด้วยพระบาททั้งสองหันเสมอคือพระสูตตั๊บยืนได้เลยไม่กระสตดในท่านอนเหมือนคนทั่วไปตรงนี้คนที่เขาไม่เชื่อก็ก็กยางว่าอดคุยกันแน่กะนแน่ได้ บางทีหาว่าเป็นสันเตอร์จเป็ น, เ ป, นเป็นวัวเป็นควายไปเกิดปั๊บเดินปุ๊บเลยแม่ไฟไฟดุลให้ให้เดินเร็วก่าเดินได้เลยเห็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องคนปแปลกแปลกเนี่ยก็ลงมาจะบอกเร็วๆเนี่ยนั่นเด็กอายุ4หรือ9วันเดินได้เดินกว่ า, วาเดินได้เลยใครอ่านบ้างผมมันอ่านมาเห็นเขาปาดหัวขาว เราก็ต้องถือว่าเป็นคนแปลกที่สุดแต่เราก็พิสูจน์ไม่ได้เลยจะไปยืนยันยว่าจริงอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรจะยืนยันนอกจากยกตัวอย่างปแปลกๆอะไรบางอย่างในปัจจุบันเพียงเคียงให้ฟังได้เหมือนหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องคนท้องแล้วท้องไม่โตไงนะแต่เมื่อก่อนนี้ก็มีคนถ้าเป็นไปได้เลยนางอแม่พระเวชนดลนะ ขอพอรพระีตั้งคันกี่เดือนกี่เดือนก็ไม่ยอมโตใครมองธรรมดาไม่ก็าไม่ทองเราก็ฟังแล้วเราก็เลิกเรื่องที่ยายหน้าไม่งานางจะเป็นไปได้แต่ก็มีเป็นไปได้ในปัจจุบันนี้มีอยู่สองลายนะผมตัดลกูกไปหายจัตุรุคนหนึ่งเป็นนักมวยปล้ำรู้สึกว่าอยู่ที่เมกาอีกคนหนึ่งเป็นนักกายกรรม อยู่ในประเทศอังกฤษเอานักงอแกล้งในรูปร่างใหญ่หน่อยมาพร้อมใหญ่หน่อยต่ที่เป็นนักกยกรรมในรูปร่างดีก็ยังอุ้มรูปโชว์มาโชว์เลยล่ะแต่นักกยกรรมเนี่ยก็อย่างว่าตามธรรมเนียมของฝรั่งเขาเขาถึงที่ยังไม่แต่งงานแต่ว่าที่นานเ้าเสรีแล้วก็ไปไปรู้สึกว่าตัวเองทองตอนที่นำ้ำ่ําออกมีนำ้ำขําแล้วก็คลอดเลยรู้ว่าองก็ลอดเลย ตอท้องไม่ใหญ่คลิปกระทั่งเจ้าตัวเองไม่รู้เลยไม่ได้ไปหาจะให้หมอตรวจแล้วก็เป็นย่ตลอดเวลาเขาเล่นอะไรจะอะไรเขาไปได้นี่นังมวยปล้ำอีกที่อเมริกานี่บางันก็อ้างว่าแหมก็หน้าท้องก็ใหญ่นั่งมวยปล้ำตัวกำยำกำยำอย่างนั่งมวยปล้ำญี่ปุ่นนะแต่ของคนนี้รู้สึกอยังกรรำยำกว่านั้นก็ตั้งท้องแล้วไม่รู้ครัรู้เอาวันที่เขาไปปล้ำกับคู่ต่อสู้ โดนผู้ต่อสู้จับทุ่มงล่างแล้วพอเอาเก้าอี้หรืออะไรมารวดทุ่มท้องจนกระทั่งรู้สึกปวดปวดแล้วน้ำคัำ่มกระไหลก็เลยส่งโรงพยบาบาลไปคลอดที่โรงพยาบาลแหมเด็กคนนี้จะุทำบุญทำบาปอะไรมาแหมโดนโดนบริหารท้องด้วยเก้าอี้ถึงครอดนี่เจ้าตัวไม่รู้เหมือนกันก็เป็นเรื่องแปลก ใครก็ไม่มีใครรู้ท้องไม่ใหญ่ตีปกติแล้วเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยก็มีอของน้ามวยปล้ำเนี้ยแรูปร่างสมบูรณ์แข็งแรงของอีกคนก็แข็งแรงก็ดูรูปร่างแล้วก็ไม่ไม่ไม่ผิดปกติอตอย่างใดคือไม่เล็กมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เหมือนกันแต่เรื่องเดินเี่เราก็พยายามหาหา บุคคลชีวิตบุคคลแตกมาเป็นข้อเท็จมัก็ยังหาไม่เจอในเจอก็ เ, เนี่ยสี่เก้าวันนะเดินได้นี้ศิลป์พักพักทางทิพยอุดรทิพย์เหนือทรงดําเนินได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่ตันที่ไม่เชื่อทตันก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ธรรมะเกียรติแกลเป็นการเสด็จเทียบกันมีข้อกดกั้นตามไปตรงแลดูทิศทางปูม ถาว่าตรดกั้นมีใครกันเทวดาดูแลจิตทั้งปวมและทรงเปล่งอาพิสวาจาคือวาจาันประเสริฐวาจาประเสริฐอันเป็นยอดเยี่ยมว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้ใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นที่สุด บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกอันนี้ข้อความตรงนี้ก็เป็นการยืนยันว่าไม่เกิดอีกอีกที่หนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นการประกาศความดีใหญ่เรียกว่าเดินได้แล้วพูดอ่ะเดินก่อนพูดเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจ6เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรย่อมปรากฏแสงสว่างใหญ่ โอภาสใหญ่แผ่นดินไหวชัน ใ, ด อ, ใ ด, อดอ่ะในชันใดในตําบลตัวพูดอนะนะเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยก็ตนานิฐานเขาว่ามีทวารเขาว่าคนอธิบายนะตานิทานบอกผู้คนหวั่นไหวคือฮาแต่ในอาตมาคาถาจริงๆหรือในรูปรอยในพระพุทธวจนะจริงๆแผ่นดินไหวจริงๆและตีแสดงเหตุแผ่นดินไหวไว้แปด อย่างวาปกตินี่ก็ต้องถือเป็นลมกำเริกนะลมกำเริกก็ไหวตามลมแบบพุดนะแต่ไหวด้วยอำนาจของบุญญาธิการก็ไหวได้คือพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญบา ร, รมีสูงก็ทำให้ไหวได้หรือไหวด้วยฤก์ก็ได้เห่นไหมครับกำลังฤกษ์ที่พ ร, ระพระเทวทัตพ ร, ร ะ, ระโมคคัลลานะ ใช้หัวแม่เท้ากระดิกกระตากให้ไหวทำภูเขาให้สัน่นสะท้านก็ได้คนมีวิธก็ทำได้แต่ไม่ทำให้ใจเดือดร้อนยังจะไหวทำให้เฮารู้สึกสกิ่งโง่งึขึ้นเท่านั้นข้อเจ็ดกายตามปกติของพระโพธิสัตว์หายภารสมี ออกไปวาหนึ่งโดยรอบนี่แสดงว่าปกติพระพุทธเจ้าตรงมีพระรสมีออกไปแต่รัศมีน่ถ้าไม่ทรงประสงค์จะให้มีนะครับก็ไม่มีเพราะว่าบางคราวเนี่ยเรียกว่าทรงสเสด็จไปโปรดสัตว์อย่างพระสูตรสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่สองทรงสเสด็จเข้าไปหาพระสามรูปที่เข้าไป ทำนักอยู่ในสวนแห่งหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็จะทรงเสด็จไปเพื่ออนุโมทนาสาธุการที่นี้ที่ประตูอุทยานเนี่ยก็มีคนเฝ้าเป็นอุทยานคล้ค่ายเป็นอุทยานหลวงคนเฝ้าอยู่ในทวารบารพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเสด็จไปแล้วคนเฝ้าร้องห้ามร้องห้ามว่าอย่าได้เข้าไปสร้างความลำบาก ลำบากแกบ่บรรพชิตสามรูปที่อยู่ในนั้นเลยที่นั้นไม่มีที่ว่างสาหรับท่านแล้วเขาพูดงานวันไยรยล้วพุทธเจ้ากลับไม่ให้ข่าว ท, ทั้งๆัที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสาธดาของพระสามลูปนั้นจนกระทั่งเสียงพูดถกเถียงขึ้นเนี่ยครับได้เข้าไปกระทบหูของพระสามลูปที่อยู่ในนั้นได้ออกมาแล้วก็บอกแกนายทะวันใน ผู้ดูแลวิศวบุตรยาให้เด็กสาวจึงยอมก็ปัญหาว่าทําไมเขาไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอุตตยาในนั้นแกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปแบบแบบป ร, าภาภาระพาสตนในขั้ประพาสตนเสด็จเสด็จไปแบบเรีบบยกว่ายนายดีนอกนะครับในหลวงสเสด็จไปแบบส่วนตัวหรือแบบมาแบบ ธรรมดาแบบไม่เนะต็มยศนะแเรามีคําพูดอยู่คำหลวงเคยพูดหนึ่งหรอกไปแบบธรรมดานั่นไม่จะทรงรังนับความโดดเด่นทั้งหลายทั้งปวงหมดไปอย่างธรรมดาเรียกว่าไปแบบตะต่อเพื่อไม่ให้คนเขาตื่นกันไม่อย่างนั้นเราจะไปอย่างในหลวงเสด็จไปยังไม่ธรรมดาเนี่ยต้องมีรถตํารวจนําหน้าอะไรตั้งคืออาวอะไรหมดใช่ไหม แต่ถ้าท่านไปธรรมดาท่านไปแบบบรรยากาศธรรมดาจะอะไรอะไรที่จะพึงมีอย่างธรรมดาโลกก็มีอย่างธรรมดาโลกอย่างที่หมอมคือลิกท่านเคยมาปาราศนาคาที่สูานย์ัฒนธรรมท่านเคยกราบสูญถามในหลวงท่านใกล้หมอมือริก็เคยเห็นกับตา ม, มาหลายครั้งว่าเวลาฝนตกเนี่ยพอในหลวงเด็นแล้วฝนหยุดฝนยังก็เป็นเพื่อนกันในหลวงปักขีกรามหนึ่งดานเราอ่ะ ทรงไปเยี่ยรักดอนมีป่าลําปลูกอยู่สองป่าล้มเวลาในหลวงสเสด็จออกมาจะจะเข้าไปสู่ป่าล้มฝนหยุดพอเข้าถึงป่าล้มฝ น, น, นตกพอออกจากป่ลํานั้นทรงสเสด็จออกหน้าพอสเสด็จโผออกมานอกป่าลําฝนหยุดแล้วก็เดินเดินไปถึงอีกป่าลําหนึ่งพอทรงถึงป่าล้มนั้นฝนตกอีกท่านบอกว่าอณาภารากรียังเปียกไปครึ่งพระองค์พราะสะเสด็จตามมาติด แต่เด็ดตามประสิติ์พอฝนแว๊กลงมาก็ฝ น, นรวดลงมาก็เรียกว่าเข้าไปสู่ที่กำบังได้เพียง ค, ง ร, ร, ร, ยงคง ร, รึ่งเพราะวารกะก็เลยเปลี่ยนเป็นครึ่งโลหลายครั้งเป็นอย่างนี้ก็ถามในหลวงในหลวงท่านก็ไม่ได้ไปเส็จแต่ท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ทุกทเรื่องมันเป็นเรื่องของบา ร, รมีของกษัตริย์ราษฎร์ล้านเก่าๆคล้ายว่าพวกเทวดาห้าะฝนที่โงแจ้งเขาก็ทางานนะเหมือนกานทำงานให้แก่รัา บ, บาล ถ้าไปส่วนตัวแล้ว ก, ก็อะไรก็เพื่อการเป็นวางมันเสี่ยงทุกการผมก็มันก็น่าจะธรรมดาใช่ไหมคือท่านจะไม่ให้เสี่ยงก็ได้แต่ว่าท่านอยากจะไปอย่างธรรมดาทุกอย่างก็ต้องธรรมดาหมดลบติด ก, ก็ติดหมดติเป็นธรรมดาใช่ั้มอะไรก็ต้องธรรมดาหมดถ้าไม่ธรรมดาก็เทวดาก็ไม่ธรรมดาด้วยแต่อยกธรรมดาเทวดาก็ปล่อยให้ธรรมดา คนมีบุญก็จะเขาเลือกได้อ่านี่พระพุทธเจ้ามันก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นบางคราวถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่างที่วางมาหรือต้องกระตรงอย่างที่วางมาก็จะมีพระสมีขายออกหนึ่งหนึ่งวาโดยรอบ แปดพระโพธิสัตว์ตรงเห็นมหาสุบินทีท่เคยกล่าวกันไปแล้วก่อนที่จะตจะรุยตรงฝันก่อนแต่พระเจ้าจกักรพรรดิไม่ได้ฝันอย่างโกหกถ้าไม่ได้ฝันอย่างนี้จะฝันอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้ แต่ไม่ได้ฝันอย่างนี้แน่คนละเรื่องกันอันนี้เป็นข้อต่างซึ่งเมื่อเราถามพระวจีแล้วก็ตอบปฏิเสธเราลิกไปดูอีกหน้าหนึ่งผู้มีมาหาปูริสารลักษณะมีขติยสองในองค์นั้นนะพระวจีก็จะยกปุตพจพดขึ้นมายืนยันแล้วนะครับ ก่อนอื่น็ขาถามเราในข้อที่ห้าว่าไม่พึงกล่าวว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์หรือประวัตระต่อวจัยรัศกาวทาีต่อวาจายคือเห็นว่าไม่ควรจะพูดอย่างนี้เพราะเป็นคำกํากกมประวัติีก็เลยยกพุทธพจน์ขึ้นมาสนับสนุนอันนี้ก็อยู่ในอยู่ใน กระสูตรคือจากอวัติสูดนะครับอะไรในลักษณะสูตรที่ได้เ อ, อ่ยถึงมาแล้วแต่เรื่องอย่างนี้ยังมีอยู่หลายๆสูตรแต่ตรงนี้ลงไปเป็นเป็น อ, อ่าลักษณะสูตรลักษณะสูตรนะลงไปลักษณะสูตรที่สแสดงถึงในลักษณะสามสิบสองประกาศซึ่ง ไ, ได้ตรงกล่าว่อย่างนี้แต่ในที่อื่นก็มีนะครับ ได้ทรงตรัสว่าดูกรวิสุงทั้งหลายมหาโปลิสาลักษณะของพระมหาบุรุษสามสิบสองประการนี้ที่พระมหาบุรุษผู้ประกอบมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้า จากภกพสพุดทรงธรรมเป็นธรรมราชาทรงทิคิดตลอดปกตตีมีม า, าสมุดทั้งสี่เป็นที่สุดทรงเจนรบจบรักระสาสนบาเป็นเหตุมั่นคงแห่งุณบททรงประกอบด้วยลัตนะเจตการนี้ย่อมบังเกิดขึ้นแก่เท้าเธอคือหนึ่งจา ก, กรัตนะจา ก, กรัตนะ อ่าเราเราอาธิบายกันไปสันก่อนเลยนะครับดูลัตนาสิดลัตนาที่แปลว่าเครื่องปลื้มใจใส่ได้แล้วก็ปลื้มใจไม่ทําให้เสียใจไม่ทําให้หงุดหงิดใจไม่ทําให้ลําาญใจเลยสักอย่างเดียวทําอะไรจะรียกว่าถูกใจต้องใจไปใทุกอย่างจึงเรียกว่าลัตนะจากแก้วจากแก้วเนี่ยอันดับหนึ่งสำคัญที่สุดเป็นสั ญ, ญลักษณ์เลยนะครับคือ อ, อยากจะดูะรายละเอียดนะครับขอให้ไป ด, ดูในจั ก, กรวรรดิสูตรเนี่ยก็จะมีพรรณนาไวถึงจักรอัตรฐานะอัณาธาพรรณนาไว้ว่าจากแก้วมีกงตั้งพันมีกงตั้งพันนะไม่ใช่แปด4ี่อกี่อย่างที่เราเขียนเขียนกันสำเร็จด้วยแก้วและแก้วนี้ท่านว่า อ้าพะาะเจ้าจะประพัฒน์สิ่งบุญแล้วจากกรัตนะจะหายไปจากกรัตนะเนี่ยหายไปแต่ถ้าเป็นมันีมันมีรัตนะมันมีรัตนะนั้นตว่าอยู่ในภูเขาอยู่ในภูเขาแล้วก็จะมียักรักษาอาจารย์ครับจะอธิบายงั้นนะมียักรักษาใครจะเอาไปได่ได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาแก้วนี้ไป่ที่ตัณณนนอ ชุมนุมพงค์สาดาาโพงสดานเหนือที่ได้กล่าวเล่าถึงประวัติของพระแก้มรกดเอาไว้ว่าพระแก้มรกดนั้นพระน้า เ, าเีษเป็นคนสร้างโดยมีเทวดาโดยมีพระอินเนี่ยเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์แล้วก็ให้เทวดาที่เป็นผู้เก่งทางงานด้านนี้เนรวิานน ที่สุมิสุการได้ระบุเป็นคนต่างก็ให้ไปหาแก้วแท่นิดหนึ่งมาเทวดาก็ไปที่ยักษ์ไปที่ภูเขาแห่งนี้บอกว่าต้องการจะได้แก้วอย่างดีที่สุดเพื่อเอาไปสร้างพระพุทธรูปครับถวายแก่พระนาคเต็งนี่พระยินทรงบญญาตามมายักษ์นังไม่ยอมเลยครับบอกในนี้มีแก้วอย่างหนึ่งเนี่ย คนที่จะมีสิทธิ์ได้และรักษาไวเพื่อประเจ้าจะกระพัฒน์นะคนอื่นแม้พร้ยินก็ให้ไม่ได้ยักปฏิเสธคือเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยอ้างมันได้เห็นไหมครับอย่ามาเอาความยิ่งความใหญ่มาเป็นเง น, นไม่ได้หน้าที่เราเป็นหน้าที่เราก็ปฏิเสธตามหน้าที่พระยินไม่ไมีไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้อํานาจเอาไปได้เลยนะครับเราเป็นเรื่องของบุญกุศลด้วย ก็เลยให้แก้วอย่างรองไปแก้วมรละกอดก็เอาไปแกะสลับเป็นก็แก้วมรกอดแล้วก็ถวายแก่พระนักาาเต๋นนี่ตำนานรงต์สุตานเหนือนะเราอย่างนั้นไม่จะ่ตำลาในทางวุทธศาสนาหรอกทีนีหักถีหักถีนี่คือทางแล้วก็หักตาคือมามาแก้ว มาแก้วก็ชื่อแต่แก้วไปยังงล่ะครับเราแปลจากคำว่ารัตนะไม่ใช่แก้วจริงๆไม่ใช่แก้วอย่างไงแก้วใสเป็นคาเรียกไปยังไงเรียกตามความหมายของคำอ่าค้งและมาเนี่เป็นตัตวที่รู้ใจเนี่ยเราสารนาว่างนันแล้วก็เป็นตัตวที่มันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเป็นตัตวมีฤทธิ์ตามากที่เรียกว่า ทรงเสด็จออกในตอนเช้า <c oughs> ตรู่เพื่อที่จะเสด็จไปที่ใดไกลๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปถึงและกลับมาทันเวลาสบวชตอนเชา้าจะไปทางไหนดีซ้ใจดีกว่าเนี่ยหมากร่าแก้วจางแก้วรูมันรู้ใจนี่เขาฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องเที่ยวไปได้นะครับ แ, แต่เรื่องรู้ใจรู้ใจสัตรู้ใจคนรู้ใจมันเป็นไปได้แล้วก็ ผมบอจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นม้าของพระเจ้าจากักรพรรดินี่เราจะมีสิทธิ์หรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยต้องมีบุญนะต้องมีบุญก็ยังม้าของพระพุทธเจ้าเรานี่ไม่มีสิทธิ์จริงๆนะคมับไปเกิดเป็นม้าอะไรล่ะที่กันตะการเนี่ยม้านี่ไม่ใช่มาธรรมดาเรียว่าเป็นคู่บารมีพระพุทธเจ้ามาพร้อมที่จะแม้ถ้าจะเกิดเป็นพระพริเลสได้ก ระบาทก็ยอมที่จะเกิดกระทั่งผูกพันกันมากผูกพันกันระเกิดจนพระเจ้าแผ่นดินแล้วินพระพุทธเจ้าออกวดมาใจก็บทไม่ได้ก็ตายเรียกว่าตรอมใจตายความผูกพันเนี่มันรุนแรงขนาด น, นี้แล้วก็ไปเกิดชาติใหม่ผมว่าน่าจะเป็นกุศลด้วยนะตายอย่างนี้ผมคงจะไม่ใช่เป็นเนื่องมาจากอกุศลหรอกเรือนหน้ากุศล ทำให้ดีขึ้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาในีิมานวัตถุดีเล่าเรื่องนี้ไปเกิดเป็นเทวดาได้อยู่วิมานสวยงามมีความสุขมากและเมื่อพระพุทธเจาา้าดับสูบแล้วก็ได้มาฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นกัสโสดาบันบุคคลจากมาไกลเป็เดียวดาและไกลเป็นประตูดาบันบุคคล อันนี้มันมีแก้วมันมีแก้วนั้นเหมือนถ้าจะเทียบก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นจะเป็นพวกเครื่องให้แสงสว่างนอกจากจะเป็นเครื่องปลื้มใจใค้ายๆเป็นของปลื้มใจเป็นมันมีอย่างเรามีแหวนเพชรอะไรพวกนี้จำนองนี้แล้วนะครับยังเป็นแสงสว่างด้วยซึ่งเวลาทรงปักอยู่บนยอดธงที่หน้าพระราชวังเนี่ยแสงจะสว่างสวัยออกไปเป็นที่เห็นได้แม้ในเวลา กลางคืนวิสิทีลักษณะคือหญิงแก้วก็คืออัครหม่มาเหสีของพระองค์ในราษาพราาไวววิสีพิสดานกเกิดพูดแต่คำรลอกๆไม่มีการพูดถ้อยคำที่ทำให้ระคายโสตของพระเจ้าวดินเลยมีกลิ่นปากหอมมีสัมผัสที่ธนาร้อนก็ เยน็นหน้าเย็นก็ร้อนสัมผัสนุ่มพอดีหมดอะไรดีหมดแล้วก็อายุมากแล้วก็ไม่แก่อะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าแก่ไม่ใช่แก่ง่ายตายยากอย่างพวกผูยชายบางคนคพูดนะเนี่ยแก่อยากตายยากเือเนท่้ว่าถ้าพระเจ้าจักรพรรดิจะตายก่อ น, าาอนไม่ได้ จะ ต, ตายก่อนไงวะตายก่อนแล้ ว, วลพระเจ้าจะกระพัดเนี่ยอาจจะกระเตือนใจต้องอยู่ค้ำบา ร, รมีจนกระทั่งพระเจ้าจะตายก่อนแต่ตัวเองถึงมีสิทธิ์ตายอีนนี้หกนีค่หาหักบอดีที่กต่เดีนี้ก็เรียกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคหักบอดีแก้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นรัตนาฝ่ายเศษรษฐกิจ แล้วคนจะไปเกิดอย่างนี้มีบุญพิเศษในด้านนี้แต่ละผู้แต่ละผู้นี้จะมีบุญพิเศษเพื่อมาบริการพระเจ้าจักรพรรดิในด้านนะอย่างข้าหาบดีเนี่ยพิลึกจริงๆเรื่อง เ, เป็นคนมีบุญทางด้านลา่าโดยเฉพาะเลยนะมีหัวทางการจัดการการใช้ใจ่ายเศรษฐกิจโดยเฉพาะขนาดว่าตรงเรือข้ามฟากถ้าพระเจ้าจักรพรรดิทรงหันพระพักมามาบอกบน่นบอกว่าแม่ อยากได้เงิน<ม><ม>อยากได้ทองตักหายหนึง่งกระห่าบอดีแก้เอามือจุ่มลงไปในน้ายกขึ้นมามีห้เงินหนทองติดมือมาตามปรารถนาเลยคือคนมีบุญมากเนี่ยบางทีต้องต้องยอมเขาเหมือนกันไรงนี้ต้องการอะไรแล้วได้เหมือนนั้นทันทีแต่มีค่อนข้างยาพิเศษหน่อยเป็นบุญพิเศษหน่อย คนนี้ใช้ใมาสีวลีนะถ้าต้องการแล้ว ก, ก็ถ้าไม่ได้อย่างมนุษย์ก็ต้องได้อย่างเทวดาหรือมีเจ้าชายในสักยะวงองหนึ่งก็มีบุญลำลากบ่นร้องอย่างจะกินนมคนครัวทางต้นบอกว่าขนมไม่นี้ ก็บอกว่าขนมมีก็เอาพอเอาก็ไปดูในตัวปรากฏว่ามีขนมไม่มีขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากบุญของเขาก็เป็นเรื่องที่ ค, ค่อนๆเจรจญเชื่อหน่อยแต่ประเทศที่ว่านึกอยากจะได้อะไรแล้วได้เนี่ยพอจะมีตัวอย่างเยอะนึกอยากจะกินนะอะไรแล้วก็ได้กินนีม่มีตัวอย่างอยู่เยอะเหองกัน แต่แล้วก็ถ้าบางคนที่ตรงั้ข้ามมานึกอยากจะได้อะไรแล้วก็ไม่ไ ด, ได้หรือที่ได้มาแล้วก็จะต้องจิตหวังไปอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องของอำนาจบุญอำนาจป่าวไปจา ะ, ะนั้นคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีบุญทางลาบเทียบกับภรศรีวลีของพระพุทธเจ้าทนี้ปปรินายกปรินายกนั่แปลว่าผู้นำผู้นำทางนะผู้นำทาง ในที่นี้ก็เรียกแบบบรรยากาศของทาหารกองทัพเรียกว่าคุ้คนแก่คือเวลาจะตรงสเสด็จไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องมีผู้นําแล้วก็ลักษณะของผู้นําที่มีบุญมากๆหรือ ม, ม, ม, มีเรียกว่าบา ร, รมีทางนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษทางนี้จริงๆเรียกว่าขนาดเดินไปเนี่ยแม้จะหมู่ก็สามารถที่จะสังเกตอะไรได้ กระทั่งกลิ่นของอามานณุษยังรู้เลยนะเดินไปเนก็บอกว่าได้กลิ่นของอามาณุษย์ก็รู้เลยว่าทีน่นีถ้าไปแนี่คล้ายๆว่าเดี๋ยวจะโดนผีหลอกโดนผีเข้าโดนผีลวงอะไรเน่รู้หมดหูก็สังเกตได้ตาสังเกตได้เดินไปไหนมาไหนเนรู้หมดว่าอันนี้ควรเลี้ยวอันนี้ควรตรงอันนี้ควรไปใต้ควรไปกว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ยกงแทบเทียบได้กับถ้าเป็นกองทัพ ก, ก็คือ ผู้นำทางหรือผู้นําการเป็นผู้นำนั้นก็เป็นบรารมีส่วนหนึ่งกันนะผู้นํำอย่างที่เราพูดแทนตัวตัวไปถ้าเป็นผู้นําทางก็เหมือนกันในงานแล้วก็นำไปสูอหายนะได้มีเป็นลักษณะเกิประการอันนี้ข้าวเธอมีพระราชบุตรจํานวนพันปลายแปลว่ากว่าพันจํานวนกว่าพัน ล้วนแกกล่าองอาจสามารถย่างดีกองทัพฝ่ายปรปรักความจริงแล้วกัลปนาเป็นงังน้นไปยังไหล่ะพระเจ้าจักรพรรดิแล้วไม่คมีแต่ความสามารถนานตางังความสามาร ถ, าาร ถ, าารถแต่ไม่ต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะทรงชนะโดยทำอย่างเดียวโดยอาศัยอํานาจจากเนี่ยไปสูงที่ไหนที่นั่งยอมก็จะทรงให้สมาทานสีนะา ต่างสอนผู้คนให้อยู่ในดีในสัมแล้วก็ให้อำ น, นาจปกครองตัวเองไม่ต้องมายิ่งมายุ่ ง, งเกี่ยวด้วยมีลูกก็เรียกว่าเป็นลูกคุณชายเต็มตัวแต่ไม่ได้ต้องไปทำอะไรอยู่ที่ประนานนี่ต่อไปก็กล่าวว่าทรงพิคิดนนี่หมายที่ไม่ได้แต่ปัจครอบครองแผ่นดินโดยไม่ต้องใช้กาตราไม่ต้องลงอาวุธเป็นเรื่องของบุญ คือคนที่มีบุญมากๆเลยแม้เราสั้งใจ ด, ดูก็คนวรจะยอมรับได้นะ เ, เวลาเขาปกครองคนอะไรอะไรในะคนในเห็นเขาแล้วหรืออยู่ได้อยู่ในปกครองเขาแล้วอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาเลยนะไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปไหนอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาเองอิทธิพลหรืออำนาจของคนมีบุญบา ร, รมีมากๆมันมีผลขนาดนั้นอย่างราชการที่ห้าเราก็ก็ถือแล้วว่าถ้าก็มีบุญมากเหมือนกันแต่ไม่ถึงกัเป็นพระเจ้าแต่พัด ตอนที่ทรงปกครองบ้านดิก็มีปัญหาครับรกันฆ่ากันเมื่อกันนะครับเราอ่านโดยในในประวัชิาสตริกาพระองค์ก็มีปัญหาอยู่บ้างทรงเนนิสัยรักปัดแต่ว่าตอนที่ทรงสวรรคตนั้นแม้แต่โจรก็เสียใจ <c oughs> มันจะเสียใจว่าต่อไปนี้จะได้ต้นกระดวกหรือต่อไปนี้ชาบ้านที่เกิดร้อนต้นแล้วจะไม่ได้กาไหรต่อไปเหมือนเก่าก็ไม่รู้ว่ามันหยุดปล้น การฆ่ากัาานเนี่ยหยุดทั้งนักเจ็ดวันเด็นๆเพระทุกคนก็รักขัานเหมือนกันหมดที่เราก็เหมือนเดนเนี่ยไกลที่ไหนเนี่ยจะโกงจะกินยังไงก็รู้รู้ึ ก, ก, กว่ารักในหลวงกันละนั้นนะแต่รักในรวงแล้ก็มณฑิสถาจจะทําไม่ได้อย่างขั้นเป็นทุกอย่างเรนนี่ที่กล่าวว่าแต่ถ้าออกบวช เป็นอนาคาริจะเป็นพระเจพระพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกคือหมดกิเลสเองนี่เป็นสูตรมีจริงใช่หรือไม่เราก็รับว่าใช่แต่ความในระสูตรนี้ทรงหมายถึงพระโพธิสัตว์ที่กล่าวได้ว่าพระโพธิสัตว์ถ้าไม่ได้แต่สรุปก็จะเกิมดมาใจจะมแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดมาใานภาพใดกตารถ้ามีลักษณะครบสามีิบสอง เราหมายตาไม่ได้สองอย่างหนึ่งถ้าบารมียังไม่ไม่เป็นที่ดีจะสัตว์รู้ได้ในชาตนี้ต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไนหะอย่างที่ท่านเป็นมาแล้ว เ, เมื่อเป็นพระเจ้ามันทํ า, ด, า ด, ดุล่าเป็นต้นแต่ถ้ามาพบท่านชาติาา ส, าาสุดท้ายมีลักษณะสองและเรามีความรู้เรื่องโง่เของแขกก็ดีหน่อยเราก็พยากรณ์ไปได้เลยว่าคนคนนี้ชาตนี้จะไม่เป็นแค่พระเจ้าจักรพรรดิหรอกจะเป็นพระพุทธเจ้า ไปทันที่ท่านกล่าวอย่างเนี้ยกล่าวหมายถึงผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์วาเกิดแต่ละชาติแตชาติเนี่ยหลับตาพยากรณ์ได้สองอย่างแต่ว่าชาติใดครัศชาตที่เป็นพระเจ้าอย่างพระพาทเจ้าท่านไม่ได้บวรณ ะ, ะท่านไม่ได้บวชแต่ถ้าชาติที่เป็นพระพุทธเจ้ามีาลักษณะดังที่สองประการแล้วท่านจะต้องออกบวชทีนี้ทัศเป็น จักรวัติสัตวธรรมดาเราไปเจอจักรวัติสัตว์ที่ไม่ใช่พระเจ้าจากักรพรรดิเราต้องพยากรณ์โดยฐานะเดียวสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งในกองมาในป่าถนาเป็นพระบุตรเจ้าป่าธนาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วเราก็ตามดูไปด้วยในชาตหนึ่งมีลักษณะครบสองสองเราบอกว่าในชาตินี้เขาได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วไม่ต้องพยากรเรื่องพระบุตรเจ้า อันนี้ราวาทีเนี่ยสำคัญสิสำคัญสิจากพระสูตรนี้ว่าว่าเป็นอย่างนี้เลยสำคัญว่าผู้ประกอบวปลักษณะจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์เสมอไป คาจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้ทรงกล่าวก็เนี้หมายถึงพระโพนิาสาตจริงแต่ผู้ที่มีลาาักษณะตาที่สองบางคนไม่ได้ลักษณะเป็นพระพุทธิจาเขาเป็นแค่ะกะลยาครันธอันนี้เราก็ยุติอันนี้นะครับ